สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้ยสิบนะครับจงรักศัตรูพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ห้าข้อสี่สิบสามถึงข้อสีิบแปดครับมัทธิวบทที่ห้าข้อสี่ิบสามถึงข้อสี่สิบแปดโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าทั้งหลายจะยินคําซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักคนสนิทและเกลียดชังศัตรู ฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่านทำดังนี้แล้วท่านหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นสองสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกันและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมแม้ว่าท่านรักผู้ที่รักท่านจะได้บำเหน็จอะไรถึงพวกเก็บภาษีก็ยังกระทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือ ถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของตนฝ่ายเดียวท่านจะได้กระทำอะไรเป็นพิเศษยิ่งกว่าคนทั้งขวงเราถึงคนต่างชาติก็กระทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือเหตุนี้ท่านหลายจงเป็นคนดีรอบครอบเหมือนอย่างพบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นคนดีรอบครอบพี่น้องครับในข้อผีตอนนี้นะครับก็สอดคล้องกับพระธรรมลูกาบทที่หกข้อยี่สิบเจดถึงข้อยี่สิบแปด และยังมีต่อนะครับคือข้อสาสิบสองถึงข้อสาสิบหกด้วยพระคัมภีร์ทั้งสองตอนนี้ได้บอกเราเกี่ยวกับคําสอนของพระเยซูในเรื่องของความรักศัตรูนะครับเราต้องรักศัตรูนะครับและในขณะเดียวกันครับความเกลียดชังที่เรามีต่อศัตรูนั้นเราจะต้องจัดการอย่างไรนะครับเราจะเห็นถึงอันตรายของความเกลียดทางศัตรูนะครับและจะเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากความรักศัตรูครับบทบัญญัติ ในเรื่องที่ว่าการเกลียดทางศัตรูรักคนสนินะครับคนสนิในที่นี้ก็หมายถึงคำว่าเพื่อนบ้านนะครับอยู่ในพระธรรมเลวีนิติครับอยู่บทที่สิบเก้าข้อสิบแปดนะครับพระธรรมเลวีนิติบทที่สิบเก้าข้อที่สิบแปดผมอยากตั้งอยู่ข้อที่สิบเจ็ดนะครับให้พี่น้องฟังนะครับเลวีนิติบทที่สิบเก้าข้อสิบเจ็ดสิบแปดนะครับอย่ากเกลียดทางพี่น้องของเจ้าอยู่ในใจ แต่เจ้าจงตักเตือนเพื่อนบ้านของเจ้าเพื่อเจ้าจะไม่ต้องรับโทษเพราะเขาเจ้าอย่าแก้แค้นหรือผูกพยาบาทลูกหลานญาติพี่น้องของเจ้าแต่เจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเราคือพระเจ้าถ้าพิจารณ า, ราเลขาธรรมเล่มนิติบท 49, ที่สิบเก้าข้อที่สิบเจ็ดและสิบแปดสองข้อนี้นะครับแล้วจะพบว่าโมเสสนั้นกําลังสั่งคนอิสราเอล บอกว่าอย่ากเกลียดชังพี่น้องนะครับแต่ตักเตือนเพื่อนบ้านคําว่าพี่น้องกับเพื่อนบ้านนะครับอในภาษาในภาษาเดิมนะครับก็คือเป็นอพี่น้องร่วมชาติเดียวกันนะครับเพื่อนบ้านนะครับก็หมายถึงขยายความไปถึงว่าคนที่อยู่ใกล้ใกกันนะครับรวมไปทั้งพี่น้องร่วมชาติ ด, ด้วยเพราะฉะนั้นคำ ว, ว่าพี่น้องนะครับกับเพื่อนบ้านนั้นก็สามารถใช้ทดแทนกันได้ครับนะค อย่าเกลียดชังพี่น้องแต่จงตักเตือนพี่น้องครับย่าเกลียดชังเพื่อนบ้านแต่จงตักเตือนเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ในข้อที่สิบแปครับเจ้าอย่าแก้แค้นหรือผูกพยาบาทลูกหลานญาติพี่น้องของเจ้าแต่จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากครับเพราะเหตุที่ว่าเราจะต้องเชื่อฟังพระคัมภีร์เดิมเช่นเดียวกันครับและพระเยซูได้มาเพื่อที่จะให้กฎบัญญัติหรือธรรมบัญญัตินั้น ครบต้วนสมบูรณ์เรามาดูกันครับว่าพระเยซูทํำยังไงเพื่อที่ให้กฎเกณฑ์นี้สมบูรณ์เราต้องเริ่มต้นนะครับเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยในโทษจำนะของพระเจ้าเลวิตีบทที่สิบเก้านะครับที่เราได้อ่านไปแล้วนะครับเราพบว่าสาเหตุที่โมเสนั้นได้สั่งให้ไม่เกลียดชังพี่น้องนะครับจะต้องตักเตือนเพื่อนบ้าง น, นะครับอันนี้ก็คือว่าเขากําลังสร้างนะครับ ความรู้สึกรักชาติผูกพันกันในชนชาติของเขาเพื่อที่จะเป็นเกราะป้องกันนะครับคนต่างชาติและลูกเขารบของพวกเขาเองเพราะฉะนั้นการรักซึ่งกันและกันนั้นจริงเป็นเหตุที่ทําให้พวกเขาสามารถที่จะสกัดกั้นความคิดของคนต่างชาตินะครับผู้หญิงต่างชาติตลอดจนลูกเขารบนะและก็แนวความคิดในเรื่องของอพระหุเทวนิยม ก็คือมีพระเจ้าหลายองค์ได้นะครับอันนี้เป็นการสกัดกัน้นเป็นการป้องกันครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงกลายเป็นว่าจรงรักสัตวูนะครับอันนี้เป็นคำสอนของพระเยซูแต่คำสอนของโมเสสว่าไงครับคําสอนของโมเสวอกว่ า, วาอย่าแก้แค้นและอย่าพยาบาทนะครับแต่จรงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะครับในขณะเดีวยวกันครับที่นี่บอกว่าจะต้องรัก ศัตรูและอธิษฐานเพื่อคนที่ข่มเหงท่านอันนี้เป็นคําสอนของพอระเยซูครับความรักตรงนี้ครับเป็นความรักแบกแ บ, บอากาเปรครับและเป็นความรักแบบของพระเจ้าเป็นความรักที่อยู่เหนือความรักทั้งหลายครับเป็นความรักชั้นสูงสุดนะครับความรักของพระเจ้านั้นให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่คนอื่นโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือศัตรูด้วยนะครับและศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดของชาวยิวก็คือชาวสมาเรียครับชาวยิวเกลียดทางพวกเขาแต่พระเยซูกาลังสอนให้สาวก รับคนสมาเรียซึ่งเป็นศัตรูที่ใกล้ที่สุดนะครับเป็นเหมือนกับเพื่อนบ้านที่อยู่ถัดเข้าไปชาวยิวนั้นเป็นเชื้อสายของผู้ที่ถูกกมเพงมานะครับตั้งแต่ในสมัยโบราณเมื่อเราศึกษาดูประวัติศาสตร์ของชนชาติยิวนะครับเราจะเห็นนะครับตั้งแต่ชนชาติยิวนั้นตกเป็นเชลยนะครับอยู่ในประเทศอียิปต์พอหลังจากเข้าแผ่นดินแคนาอันนะครับเขาต้องต่อสู้นะครับรบกับอ่ ชาเพื่อนบ้านของตัวเองนะครับรบกับเมืองที่ไม่ต้อนรับเขานะครับก็มีการผมเหงืบรบชนะบ้างแพ้บ้างนะครับพอมาถึงในสมัยของโรมครับโรมก็จะขูดรีดและทำกับพวกเขาเหมือนกับเป็นทาสฐานโรมก็มีการแสกระจายทั่วไปนะครับ <c oughs> อยู่ในปาเลสไตน์ในสมัยของพระเยซูนะจึงมีมูลฐานหรือว่าจึงจึงมีความกลัวเป็นฐานครับ ชาวยิวนั้นมีความกลัวเป็นฐานในการดําเนินชีวิตแต่ละวันนะครับนอกจากถูกกดดันจากธรมบรญญัติบบแล้วนะครับเขาจะต้องถูกกดดันจากบรรดาผู้ที่ครอบครองเขาด้วยพระเยซูรู้ครับว่าความกดดันนี้มีอยู่เหนือชีวิตของคนยิวซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติของพระองค์พระเยซูสอนครับให้คนที่ติดตามพระองค์อธิษฐานเพื่อชาวโรมชาโรมันนะครับและเพื่อคนอื่นที่ชมเหงพวกเขา เพียับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อธิษฐานยากมากใช่ไหมครับถ้าเรามามองดูชีวิตของเราบ้างนะครับเราเคยอธิษฐานเกลือศัตรูของเราหรือเปล่าครับเรามีความรักแบบอากาเป้ให้กับศัตรูของเราหรือเปล่าหรือคนที่เราเกลียดชังหรือเปล่าครับพี่น้องครับถ้าเราดูหลักการนะครับที่สําคัญก็คือว่าพระเจ้านั้นเกลียดชังความบาปครับแต่รักคนบาปพระเจ้าไม่เห็นด้วยกับสิ่งเท่ยวธรรมครับแต่พระเจ้ารักตัวตนของเขา เช่นเดียวกันครับเราต้องเกลียดชังความชั่วร้ายที่ศัตรูของเราทํากับเรานะครับเราต้องเกลียดชังความชั่วร้ายที่ศัตรูของเราเนี่ยทําและเราจะต้องเกลียดเขาครับเกลียดความสิ่งที่เขาทํากับแต่เราจะต้องไม่เกลียดตัวตนของเขาต้องรักในตัวตนของเขาและความเป็นคนของเขาเหมือนที่เหมือนกับเราเหมือนกับที่พระเยซูทรงรักเร า, าเนะครับเมื่อเราทําบาปพระเยซูก็ยังทรงรักเราครับแต่ไม่ได้รักความบาปที่อยูเ่เราแต่รัก คนนะครับคนบาป ก, ก็คือพวกเราทั้งหลายเพื่อก็จะเห็นว่าเหตุผลที่พระเยซูเสนอให้พวกเขาทํามากกว่าในบทบัญญัติก็เพราะว่าเขาจะได้เป็นบุตรของพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญและยิ่งใหญ่นะครับคำว่าบุตรนั้นแปลว่าเป็นของนะครับหรือมาจากนะครับบุตรของพระบิดาก็คือเรานั้นเป็นของพระบิดาบนสวรรค์ครับเรามาจากพระบิดาบนสวรรค์เราถือบังเกิดใหม่นะครับจาก ชีวิตของพระวีดาที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเราที่นะครับเราเห็นนะครับว่าในข้อที่45นะครับความรักของพระเจ้านั้นไม่ได้ยกเว้นคนกลุ่มใดเลยเพราะ45บอกว่าโร่งชงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นสองสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกันและให้ฝนตกแก่คนชอบทําและคนทำเสมอกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นความยุติธรรมของพระเจ้านะครับเป็นความรักของพระเจ้าที่ให้พระคุณ มากับมนุษย์ทุกคนแม้ว่าพวกเขาจะไม่สมควรได้รับก็ตามแต่พระเจ้า ก, ก็ยังให้ครับในข้อ46ครับพระเยซูสอนว่าแม้ว่าท่านรักผู้ที่รักท่านจะได้บําเหน็จอะไรถึงพวกคนเก็บภาษีก็ยังกระทําอย่างนั้นไม่ใช่หรือถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของตนฝ่ายเดียวท่านได้แสดงอะไรที่เป็นพิเศษยิ่งกว่าคนทั้งปวงเราคนต่างชาติก็ทําอย่างนี้ไม่ใช่หรือนะครับอันนี้คือมาตรฐานของคนต่างชาติครับ มาตรฐานของคนอื่นที่ไม่ได้เป็นสาวกนะครับเขาก็รักคนของเขานะครับตั้งอยกพวกพรรคพวกของตัวเองนะครับแต่ว่าเขาไม่เคยรักศัตรูครับแต่พี่น้องครับพระเยซูกำลังเรียกร้องให้เรารักศัตรูเพื่อที่ว่าเราจะเป็นคนดีรอบอบนะครับเราจะเป็นบุตรของพระเจ้าแสดงว่าเรามาจากพระเจ้านะครับเรา ได้รับพระกุณาของพระเจ้าและเราแบ่งปันความรักนี้เรื่องครับผมจะมาถึงประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือเคล็ดลับของการที่เราอย่ารักศัตรูนั่นก็คือเราอาธิษฐานเผื่อเขาครับการอธิษฐานเพื่อศัตรูนั้นทําได้ยากเพราะว่ามันต้องเกิดจากความหวังดีจะต้องเกิดจากความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าเราไม่สามารถหลอกพระเจ้าได้ครับจะต้องนําเขาอยู่ในคําอธิษฐานนะครับทูลเขาไว้กับพระเจ้าครับ อยากแก้แค้นครับเพราะ่าแก้แค้นการแก้แค้นเป็ของพระองค์นะครับอยากเกลียดชังเท่าครับเพราะว่าเราไม่มีฐานะเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเกลียดชังเขาได้นะครับในเกลียดชังในตัวตนของเขานะครับเกลียดชังคนนะครับแต่ว่าเราเกลียดชังความบาปได้ครับเราจะต้องรับตัวตนของคนคนนั้นพี่น้องครับในข้อในข้อนี้นะครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าบอกว่าเปเยชุบอกว่าให้เราเป็นคนดีรอบครอบเหมือนอย่างพระบิดาดีรอบครอบ นะครับคำว่าดีรอบครอบนี้มีความหมายนะครับอย่างน้อยสามประการก็คือดีรอบครอบในแง่ของการเนานจริญเติบโตพัฒนาการเต็มที่ทั้งร่างกายและจิตใจดีรอบครอบประการที่สองความหมายประการที่สองก็คือดีพร้อมในทางด้านศริยธรรมครับแล้วก็ดีรอบครอบความหมายประการที่สามก็คือมีความดีด้วยบวกกับความรักด้วยนะครับอันนี้เป็นความหมายของความความดีรบอบครอบหรือคนที่ดีรบอบครอบอันนี้เป็นพลักษณะ ของพระเจ้าบนสวรรค์ครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเริ่มต้นทุกคนที่ได้ยินได้ฟังในเช้าวันนี้ก็จะเริ่มต้นอธิษฐานื่อศัตรูของเราเริ่มต้นอธิษฐานื่อคนที่เกลียดชังเรานะครับอย่ามองคนอื่นเป็นศัตรูครับแต่ให้มองเป็นเพื่อนบ้านและเราอธิษฐานเผื่อเขาแล้วเราต้องเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อเขาจากข้างในนี่ก่อนนะครับอธิษฐานเผื่อตัวเองก่อนที่เราจะรักศัตรูของเราได้และเราอธิษฐานเพื่อศัตรูของเราได้ต่อไป ครับขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องที่สักทุกท่านอาเมน